พร้อมหรือยัหายใจรู้สึกตัวสึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติในขั้นเจริญปัญญานะถ้าเราขาดความรู้สึกตัวแลปฏิบัติไม่ได้คนในโลกใจลอยไม่รู้สึกตัวคน หลายล้านกี่ล้านกี่ล้านนะาคนรู้สึกตัวนะหายากมากมีแต่พวกเราชาวพุทธนะพุทธะมาฝึกจตฝึกใจของเราให้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบานแลวก็แพ้พัดลมนะละถูกพัดลมเป่นะเสียงหายไปเลยอย่าให้มันหงุดได้ไห ม, หมไปที่ไหนก็ทิ้ง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 ยั้ถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานได้เราก็มีโอกาสที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปนี่ต่อมาธรรมะมันกลอนลงไปคําว่าพุทโธไม่นกลายเป็นพุทโธเฉยๆพุทโธนกแก้วพุทโธนกขุนทองท่องพุทโธพุทโธไปเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันนิ่งวัตถุประสงค์ของการพุทโธมันแตกต่างกว่าสมัยตั้งเดิม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 เน่ยความแก่กล้าของมันเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดสติเนี่ยอกุศลที่มีอยู่ก็ละไปแล้วอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดทันทีที่มีสตินักกุศลที่ยังไม่เกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วที่เกิดแล้วก็จะงอกงามไพ่บูร์นขึ้นไปสตินี่แหละเป็นเครื่องคุ้มครองสตินี่แหละเป็นเครื่องรักษาจิตเพรนั้นพวกเราจะทิ้งเรื่องการเจริญสติไม่ได้เพราะฉนั้นใจเราจะร่อนเล่จะหนีไปหลงไปตามอารมณ์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 มีความคิดมีความเห็นตลอดเวลากรรมฐานที่เหมาะที่จะฝึกเจริญสติเจริญปัญญานะคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนามีสองอย่างรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายหรือเวทนานะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูจิตหรือธรรมนะใช้คาว่าหรือนะนี่ทำไมต้องมีอย่างละสองอย่างละสองเนี่ยมันมีอย่างพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ย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 เจออะไรเขวิจารณ์ตลอดเลยนะเดี๋ยวก็กดไลค์เดี๋ยวก็กดแชร์ชอบมากเลยวิจารณ์วิจารณ์แบบง่ายก็กดไลค์ก็กดแชร์อะไรเนี่ยพวกที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมีสองงานดูจิตกะระทำจิตเนี่ยของพวกคนซึ่งปัญญายัางไม่แก่กล้าธรรมานุนปัสสนาเนี่ยของพวกที่อินทรีย์ปัญญยินทรีย์แก่กล้าพวกบา ร, รมีสูงอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตรัสรู้นะ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 ใครที่เด่นทางรักสุขรักสบายรักสวยรักงามยกมือซิยกซิพวกรักสวยรักงามมีไหมใครเจ้าความคิดเจ้าความเห็นใครเป็นสองอย่างยกสองมื อ, เ, อเยอะเอยยุคเราเนี่นะรักสวยรักงามด้วยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นด้วยเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นเนี่ยเป็นพื้นเลยคนรุ่นเราเนี่ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็น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 พยักหน้ารู้สึกไหมเวลาเราพยักหน้าแล้วเรารู้สึกนี่นะมันก้าวข้ามไปเรียกว่าสัมปชัญญะบัพภะนะไม่ใช่อีริยาบถแล้วถ้าอีริยาบถเนี่ยแค่ดูหยับหยบัยืนเดินนั่งนอนหรือรู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าแค่สองอย่างเองถ้ารู้อีริยาบถจะมีสี่อย่างยืนเดินนั่งนอนดูละเอียดเข้าไปนะก็เป็นสัมปชัญญะบัพภะสัมปชัญญะบัพภะคือเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะหยุดนิ่งก็รู้สึก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 ดูกรับยิกงสูตทั้งหลายถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะดูกรับยิกงสูทั้งหลายจิตมีโมหะคือหลงให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูกรับิกงสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูเนี่ยจิตตานุปัสสนานะสี่คู่แรกเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลย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 แต่เวลาที่ใจน้อยเนี่ยใจมันจะหดรู้สึกัหมเวลาใจน้อยไม่หดหรือนิดเดียวเวลาใจมีกิเลสจะไม่โตเพราะฉะนั้นจิตที่พวกเรามีนส่วนใหญ่เป็นอกุศลเป็นอกุศลท่านก็ไม่ได้สอนว่าเธอจงดูแต่กุศลท่านสอนสิ่งที่พวกเรามีนี้เราท่านให้ดูทั้งั้งสีค่คู่มากไปสี่คู่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 พวกราคะมีไม่มากนะพวกโทสามากขึ้นหน่อยพวกหลงเนี่ยเยอะที่สุดเลยสังเกตุเธอสัตว์ต้องฝูงใหญ่นะพวกหลงมันเป็นภูมิของสัตว์นะสัตว์ใดฉานสัตว์อะไถ้าเรามีกิเลสตัวไหนมากเราดูตัวนั้นแหละเป็นหลักคนไหนขี้โลภเราก็ดูไปเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายนี่ภาษาไทยนะ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 พราะงั้นเวลาที่บางคนขี้มโมโหอย่าเงี้ยมาดูจิตแล้วก็มาถามหลวงพ่อเมื่อไหร่หนูจะเลิกมโมโหของหลวงพ่อไม่ได้สอนให้หนูเลิกมโมโหเลยหลวงพ่อสอนบอกว่าถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะต่างหากไม่ได้สอนว่าให้เลิกมโมโหนะแต่เมื่อเราดูเลยจิตโกรธแล้ว ร, ว ร, รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตรอบรู้จิตไม่รอบรู้อะไรเงี้ยนานไปนานไปมันจะรู้เลยจิตทุกอย่างนหละ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 พระสชชีบอกว่ายังกินจีสมุดทะยธรรมมังนะทำทั้งหลายนะเกิดแต่เหตุประโยคที่สองพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นประโยคที่สามแล้วก็ท่านแสดงความดับไปของธรรมนั้นเพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ทําไมเวลาปิ้งขึ้นมาได้โสดาขึ้นมากลับไปได้รู้ขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา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 อย่างพวกเรานี่แหละกินข้าวเย็นอย่างนี้แหละถือศี่ห้าแค่นั้นเองมีภรรยาด้วยนะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนตอนเป็นโยมนะเดี๋ยวใครไม่ไปตัดต่อเทปเนี่ยหลวงพ่อประโมทบอกหลวงพ่อประโมทมีภรรยาด้วยนะตอนเป็นโยมนั่นแหละภาวนาภานาแล้วไม่เห็นเลยนะจิตมันวางจิตลงไปพบโอ้โหมันบรมมัสุขเลยนะมันปล่อยไอ้ตัวหัวโจกลงไปได้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 นี่เราภานามาถึงจุดนึงมันวางฟุบลงไปนะตอนนั้นยังเป็นโยมเลยพอวางลงไฟกันนะก็ดีใจเลแล้วเสร็จแล้วก็มันก็ไปหยิบขึ้นมาเอาใหม่แล้วเดี๋ยวบางทีก็วางเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวก็าวางเดี๋ยวก็หยิบพอดีตอนนั้นหลวงปู่สุวัตอ่ะสุวั ต, วตโจมาจากอเมริกามาพักอยู่ที่ปฐุมที่ปากเกร็ดที่ปากเกร็ดซอยวัดกู้ที่ซอยวัดกู้ หลวงพ่อก็ชวนแม่ชีตอนนั้นยังไม่ได้บวช น, นะเดี๋ยวว่าพระชวนชีไปอนายฟลาโมดเนี่ยชวนภรรยาเออไปหาหลวงปู่สวั์รีบไปเลยนะขับรถไปเลย <_ t od ic> เพื่อจะไปถามกันบ้านต่อว่าผมวางแล้วทํำไงมันจะไม่หยิบอีกกไปจะถามอย่างนี้นะวางแล้วจะทำไงมันจะไม่หยิบให้ไหมไอ้ใจมันกำลังวางวางไปแล้วพอขับรถออกจากบ้านมาเท่านั้นเองมันหยิบปุ๊บขึ้นมาเลยเฮ้ย <_ t od ic> ว่าง เราจะเอาไปให้หลวงปู่ดูนะจะได้ถามว่าถ้าหวางแล้วจะทำยังไงไม่ให้หยิบอีกไม่ยอมเลยทำไงเขาไม่ปล่อยนะทำไงไม่ยอมปล่อยจงรถจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วเข้าซอยที่หลวงปู่พักอนะ่ะซอยวัดกู้นะจนปัญญาแล้วไม่ยอมปล่อยจิตนี้เป็นอนัตต า, าสั่งมันไม่ได้เลยมันนึกจะหยิบมันก็หยิบมันจะปล่อยมันก็ปล่อยขาไม่เองเราสั่งมันไม่ได้ พอเห็นนะว่าจิตมันเป็นอนัตตานะเราสั่งมันไม่ได้มันวางเฉยเลยนะโห้ดีใจว่าส่งกันบ้านได้แล้วรอบนี้นไปถึงหลวงปู่เพาก็เข็นหลวงปู่มาหลวงปู่นั้นลดว่ําเป็นอรมพานหลวงปู่ก็นั่งยิ้มออกมาเลยถ้าเราเปน็นอรรมพานเราไม่ยิ้มอ่ะเราต้องเศร้าใจท่านยิ้มผ่องใสออกมาจากห้องพักพระก็เข็นออกมาแล้วก็กราบเสร็จแล้วท่านก็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 เราจําเป็นต้องทําเพื่อจะได้ดํารงชีวิตอยู่ในโลกแต่เวลาทํางานแล้วนะถ้าเกิดสุกให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้เอาฝึกอย่างนั้นแหละหกเก็บเ ล, เล็กเก็บน้อยไปค่ะหนูก็เลยตามดูมแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลากลับบ้านนะก็มาทําในรูปแบบจิตถึงจะมีพลังค่ะแต่ถ้ากลับบ้านมาเหนื่อยเต็มที น, ะนั่งก็หลับเดินก็หลับก็รีบตื่นให้ไวขึ้นตอนเช้า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 ดีนะโมทนาค่ะก็ถ้าเกิดว่าหนูทําปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นอาจริย้าบูชาให้กับหลวงพ่อแล้วก็เป็นพุทธบูชาแล้วก็มอบบุญนี้ให้กับบูพกาลีาด้วยค่ ะ, ะต่อไปต้องให้พระพุทธเจ้าก่อนนะไหวค่ะ <laughs> กราบน้ำสกดาดหลวงพ่อค่ะ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 การนัการค่ะ อ, อหนูภาวนาโดยใช้กายค่ะก็เห็นจิตได้บางเห็นตัวมานะขึ้นเป็นระยะอ่ะแล้วปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมวันนี้ตื่นเต้นะจิตช่างฟุ้งไหมุีสร้างเก่งะนะฟุง้งซรางมีปัญหาตัวนี้แหละเพราะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้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 มัเป็นระยะระยะกอพอแยกได้บ้างครับและจากการปฏิบัติมาก็ศีลก็มีพอประมาณศรัทธามีพอพอดีครับส่วนวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ยังนอยอยู่ครับเราก็ทําสิครับ <c oughs> รู้นี่รู้ฉลาดฉลาดนะคนฉลาดจะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรอะไรยังขาดจะเติมอะไรดีครับสุดท้ายนี้ขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา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 นี้ให้เขาเขาออกมาได้บ้างแล้วเนี่ยโทศาส์เกิดขึ้นถ้าอยู่ข้างในไม่มีโทศาสะนะอยู่เงียบคนเดียวนี้พอออกมากระทบแล้วโทศาสตร์เกิดให้เขาดูที่โทสานี่เลยเดูใจที่หงุดหงิดอะนะบอกเนี่ยเป็นความสงบปลวกภายในนะส่วนช่วงเนี่ยสงบปลวกภายนอกอให้ดูอย่างนี้คือแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองบอกว่าเห็นคนขออยู่คนเดียวเงียบ อยู่ป่าก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าออกมาข้างนอกแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่ทั้งหลายทุกคนก็สกปรกตัวเองก็สกปรกจนทนไม่ได้ให้ดูที่ใจตัวเองอไม่ต้องดูที่อื่นหรอกแล้วก็ถ้าใจเขาไม่ชอบตัวเองนะ<อ>ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเองนะ<อ>จนกระทั่งใจเป็นกลางกับตัวเองด้วยสแสดงว่าสภาวะตอนนี้ที่มีอยู่เป็นโทสะเป็นโทสะให้ดูโทสะว่ามีกับไม่มีเออให้ดูโทสะของตัวเองไป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 เอาความรู้สึกตัวเข้ามาซิหายใจให้ความรู้สึกตัวกลับเข้ามารู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่ปกติจิตจะไปอยู่ข้างนอกถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เดินปัญญา จ, จริงมันไม่ถึงฐานขงมันหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงตามหาบัวกแก้ให้นี่บอกมันไม่ถึงจิตแล้วนะนั้นหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกสบา ย, บายนะรู้สึกไมมันกลับข้างกัน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 ขี้ช้าอะไรย่างเงี้ยแล้วก็โกรธเออดีดีที่รู้ไงอ่เดี๋ยวนี้ก็ดีดพอเรารู้ทันนะเราก็เปลี่ยนตัวเองได้ชีวิตเราก็เบาขึ้นสบายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เห็นก็ได้เข้าไปไปขุกกับมันนะคะก็เห็นแต่ทีนี้มันทีว่าเหมือนบางทีชอบไปว่างๆหรือว่าหลงไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เอาเวลาใจหลงไปอยู่ว่างๆนะมาดูร่างกายไว้ ดูกระดูกดูอะไรอ่งเงี้ยดูไปเรื่อยๆนะอยาให้ใจไปติดว่างเดี๋ยวบางทีก็ดูร่างกายเดินแบบประจำวันอย่างเงี้ยเช้าตื่นขึ้นมาก็จะแต่เวลาดูลากายเดินงนงี้ไม่ให้ดูด้วยใจที่ทื่อๆนะ <c oughs> ใช่ดู <c oughs> เห็นร่างกายใจมันทื่อ <c oughs> ๆไปดูด้วยใจที่เป็นธรรมชาติกรบพริกบกระเปล่า <c oughs> หายใจสิหายใจแล้วรู้สึก เมื่อกี้มันหลงไปในความคิดตัวออกไหมใช่ชอบหลงไปแวบบไปเออนัน <ะ S 1> ่นแหละมันหลงะหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกไปเรื่อยหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมิฉั้นจะหลงไปอยู่ในความคิดไปคร่ําครวนไปอะไรใช่ใช่คือกําลังไม่พอเป็นนิสัยเป็นนิสัยนิสัยมาจากขี้อ่อน ม, มันจะไปลำฟึงลำพันอนะไรก็มันบทีแบบ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 เล่นไหวธรรมดานี่แหละเล่นกีฬาอะไรบ้างละ่ะเออก็วิ่งวิ่งด้วยค่ะเออนะวิ่งแล้วก็รู้สึกเอาเนะไรอย่างเงี้ยตีแบดแล้วก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอนะไรอย่างเงี้ยดีกว่าให้ใจมันนิ่งว่าง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 ไม่ให้มันล่องลอยว่างๆอยู่นะไปฝึกตัวนี้กลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวโกรธะ่ะค่ะก็ไปดูตัวโกรธเขาก็โกรธขึ้นมาคะ่ะแล้วก็เขาก็หายไปก็บังคับไม่ได้อ่ะค่ะรนูภาวนานดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกป่ะรู้สึกค่ะใช้ได้เห็นไหมเราขี้โกรธอ่ะเราก็ดูโกรธสิพระเจ้าสอนอย่างนี้ให้แม้เราทําตามที่ท่านสอนเราก็พัฒนาถ้าเราดือ้อเรา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 ระบบมันระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนล้มไม่คิดว่าเราจะเป็นอสูรร้ายได้ประมาณนี้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่นะขนาดเรานั่งนั่งหนังสือธรรมะอยู่นี่กิเลสขี่คอเราไม่รู้ตัวแล้วมันหัวล้อห้าห้าเราพานาให้ถูกซิกิเลสสู้เราไม่ได้หรอกก็แสดงว่าแสดงว่าเราถอยถอยไปเยอะเลยค่ะถอยไปเยอะก็เลยต้องต้องให้ลูกพาตัวเองไปเข้า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 นี่เราจะไปคิดวิชาวิปัสนาแบบใหม่เนะี่ยเพี้ยนแน่นอนรู้ซื่ อ, อแบบเสื้อนั่นแหละดีคะหลวงพ่อบอกไว้ตั้งแต่เมื่อที่แล้วว่ารู้ซื่ อ, อ<ม>แต่เป็นคนไม่ซื่อฮะมันก็อ้ <c oughs> <c oughs> อมโลกไปไกลมันเรียนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะ่ะไม่มีอะไรหรอกรู้ความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกเนี่ยไม่หลอกเราความรู้สึกมันไม่หลอกเราหรอกมันจะเกิดมันก็เกิด มันจะไปมันก็ไปสั่งมันไม่ได้ง <Okay. S 2> ั้นได้ที่คําว่ารู้ซื่อๆเนี่ยรู้ความรู้สึกไป <Okay. S 2> ความรู้สึกไม่หลอกลวงเรา <Okay. S 2> ความคิดหลอกลวงเราใช่อาจารย์ น, นยคิดมากไปว่าทำยังไงทำยังไงมันมีคำ ว, ว่าทำเต็มไปหมดเลยก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเมื่อเราเข้าถึง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 นี่ก็ดื้อหมายเลขหนึ่งเหมือนกันเลยระดับรู้จักหลงพ่อมาตั้งโอ้ยนานมากเลยทำหนังสือให้มาตั้งแต่เล่มแรกเลยก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องประจัยษไตยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการลนานเทิอยะถ า, าวาริวหาปุราภริปุเรนทีสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปา ฉันโทปนรสอยถามณิโชติระโสยทถาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลังสาธุ